เราก็ต่างคนต่างอยู่กันดีสใส่ใช้กันเป็นวัดตามกันเรามาทําวัดก็มีส่วนหนึ่งที่ยังเดินยังกร่มกันอยู่เลยพระบางลูกก็การศึกษาดีด้วยจุลาลงกรมหมาวิไลฮะตั้งใจเดินุังปร่มกันอยู่ สถาป น, นิกก็มีใครๆก็มีเราทางนี้มาก็ทำวัดเดย็นกันเป็นกิจวัตรประจำวันของวัดป่าสุข โ, โตก็ว่าได้หลายๆวัดพอออกบรรษาทำวัดเช้าทำวัดเดย็นาหายไปในช่วงขบรรษาบางทีถึงขั้นต้องมีสมุด ลงชื่อกันบางทีพระไม่ทำวัดก็ชนเข้าเปล่าถ้าไม่บินระบายก็อดทั้งเข้าทั้งกลับนะั่นก็เค้มแบบนั้นกันก็เราก็เลยนี่แหละมีกิจกรรมแบบนี้จนเป็นวัดปฏิบัติเหมือนที่เรามีกำหนดการ ติดไว้ตรงบันไดเพื่อให้สาธุชนได้รับรู้รับทราบว่าเออควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแม้ทั้งคนมาใหม่ก็ตามเราก็จะไม่ได้บอกกันก็สังเกตเสียงครองดังสัญญาณะระฆังดังมันหมายความว่าอะไรอย่างเงีน้นี้มันดังตอนหกโมงล้วก็รู้แล้วคนเก่าๆก็าาามาทำบัดกันคนใหม่ๆก็ออก ทำมาทำวัดกันก็ตามตา ม, ตามมาด้วยเมื่อกี้ขึ้นมาทำวัก็ลืมจดหมายฉบับหนึ่งก็ลงไปเอาจดหมายฉบับ น, นี้ก็เขียนฝากมาแล้วก็ให้บอกกันต่อต่อคือก็มีพระถ้ารู้ว่าเป็นใครก็รู้ว่ามีจดหมายฉบับนี้นะพระคุณเจ้าก็ือเขียนจดหมายถึงพระคุณเจ้ากลับน้ำปการพระคุณเจ้าโดยดิฉันจากบ้านมาก็เพื่อ ปริคุเวกปฏิบัติธรรมดังนั้นดิฉันก็จึงขอความกรุณาจากพระคุณเจ้าโปรดอย่ามาวุ่นวายกับดิฉันเลยขอโอกาสให้การดิฉันได้มีความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมถึงพระคุณเจ้าเองก็เถอะท่านมาบวชเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมก็น่าจะมุ่งปฏิบัติ เพื่อจะได้หลุดพ้นทุกข์ดิฉันขอขอพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในขณะปฏิบัติธรรมของดิฉันในครั้งนี้และในเวลาการต่อไปด้วยค่ะ นับสกา้วยความเคารพก็คือมีพระไปวุ่นบายชอบไปฉายไฟให้ชอบไปพูดคุยพระเราก็ไม่ทำอย่างนั้นกันที่นี่เขตขอจรเขตอกโคจรมันมีอยู่แต่ว่าเรารู้กันโดยเรียกว่าสามันสำนึก c o มมอนเซลเป็นเรื่องของ เกตต่างๆมือธุกรกัจเขียนติดไว้เกตพระสงค์เกตนายชีอะไรประเวทเนี้ยนะเป็นที่รู้กันวนะ่าเออในะลานเนี้ยมารวยกันเข้าไปนัดพบกันได้ลานหญิงโคง้งพระโยมเดินจงกรมไปได้วยกันขูดเกลาขัดเกลามัธยโยมเหมือนกันพูดจาเสียงดังอะไรเนงะี้ยคนใหม่ๆเขา เขาตกใจเคยเห็ว่าคน เ, เก่าๆประดิวฐานานแล้วมันน่าจะมีอาการสำรวมหรือว่าดูแล้วรู้สึกเย็นหูเย็นตาอยอะนะแต่ว่าเออทาเหมือนกับชาวบ้านว่าทั่วๆไปก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่าเหมือนกับวันนี้ก็มีครูอายุเจ็ดสิบแปดปีก็บอกลูกาวว่าอยากบวชแหลือเกิน ลูกสาวก็พามาที่นี่ที่วัดป่าก็เลยบอกอ่ะถ้าอยากปวดก็นียกบาาให้เลยมีชีวออยู่ชุดหนึง่งอะถ้าจะบวดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปปวดอะรพวกนี้แหละจะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็อยู่อายุมันเหลือน้อยแล้วบวดเลยแต่ว่าบางทีก็ต้องให้คณะสงฆ์เขาดูกะพอบอกให้คณะสงฆ์ดูน ะ, ะไม่บวดละ เป็นครูน ะ, กะเกษียณมานั้นจิตเนี่นเปลี่ยนได้พอจะตั้งใจบวชตั้งใจไปบัตรปรมี้งเงินไขนีดเดียวแมวแล้วจะมีปัญหาต่างๆมากมายก็้นมาให้เราได้เหมือนกับว่าสอบไทยสอบตกถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออเราอยู่กับตัวเองนี่มันส่วนตัวจริงๆ เหมือนกับโอวาทที่พระเจ้าเคยให้ไว้ในสมัยพุทธกาลนะเคยอ่านมาเคยเจอองค์ุลิมาในวุ่นวายพอสมควรก็คือปัตตนาราโมกนะปัตตนาราสกาละต้องการน้ำหนักการกินเกียรติพวกนี้ท้ยสุดกบอกนี่แหะเป็นโลกของพิสูุน์ละพระนี่ไม่ใช่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันเกินนะโลกของพิสูจน์คือปรารถนารามก กสีโลกก็คือวางราบสการะการกิงเกียรติแล้วก็ปรารถนาลามกแทนที่จะเป็นลามานะลามะไอพระทาราโม ก, กคือเป็นอารัชีต า, านเฉลยนาไว้อารัชีไม่ไว้โลกที่สองก็คือเมื่อเราปรารถนาลามกมันก็ขนขวายต่อกันไป ข้อที่2เป็นข้อที่สาพอขนขวายก็ต้องไปคุกคีคลียนโลกที่สของพูดปฏิบัติธรรมอันนี้ตราดไว้กับพระองคุริมาตอนที่กลิ้งหิน ม, มาที่เขาทีจชกูดประเทศอินเดียนะที่เมืองราชักรวเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปที่เชตวันไปที่วัดเชตวัน เมืองสาวัถีพอไปที่นั่นก็ได้กรัดประชุมกับหมู่พรสสง์ว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นลนักษณะของโรคพระเป็นโรคพระป่วยองคุริมาได้ทำอย่างนี้เอาไว้พวกเราก็ายาวอย่างนะเนี่ยนะได้กรัดเอาไว้หลายคนก็กล่าวเปล่งเสียงสาธุการกัน ถ้าใครเคยไปที่วัดเชตวันประเทศอิเนเดียก็เห็นมีพระไฟในแล้วก็ฝ่ายนอกไฟในนื้อใจเป็นพระปฏิบัติกันมกขาสาลีบุตรตัวนี้หรือว่าพวกปานนลหรือว่าพระปฏิบัติพระประ่าก็ขนาบอยู่เลยอยู่อยู่ด้านหลังกุฏิของพระมหากระสปะอยู่ด้านหลังขนาบกัน อยู่ข้างๆแต่ว่าเยื้องไปด้านหลังของพระที่มีลาภสการะเยอะพระอะไรศิวลีคนไปกราบปิดทองกันเต็มเลยพระศิวลีเป็นเรื่องของลาภสการะพระมหาการสปาไม่ค่อยมีคนไปไหว้พระป่าอันนี้มีมาตั้งแต่เดิมพระเจ้าก็เลยให้โอวัตเอาไวะ้ต่อมาก็คือมีพระ มันมันนันทิยะพระนันทิยะก็บวชโ ด, ดยเหตุที่ว่ามันทุกข์ใจมีปหาต่างๆมากมายเหลือเกินจนทั้งเหมือนกับว่าต้องหาทางออกโดยการบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าก็ได้ให้เอว่าให้พระนันทิยะเนี่ยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมากๆ โดยการที่บอกถึงการบวชนะี่ให้มุ่งถึงพระนิพพานดับทุกนิโรโทรนิโรทะด้วย น, น, นะเป็นมุ่งถึงการดับทุกเป็นหลักทำพ้นทำทุกให้พ้น ใ, ในชาตินะปิยมชานะี้มันมีทุกมันก็ต้องพ้นทุกนะเห็นเหตุแห่งทุ ก, ม, ทกมีวิธีการเดิอนออกจากความดับทุกเข้าถึงตัวนิโรทะไม่เป็นคนที่ติดอำนาจความเพลิน เวลาค่ะไม่ให้ราคาอะไรความเพิดเพลินทั้งหลายบางทีปฏิบัติมันจะเจอรมบุญอะนะอารมณ์เพลิดเพลิน ม, มันมีอยู่อันนี้ต้องแหยใส่ความรู้นะ้รู้ตัวรู้สึกตัวที่ฐานกายถอยมาก่อนจากอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นอะความคิดการปรุงการแต่งมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจ เรามาสนใจตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหนที่เราเข้ากันมาทานกันอยู่ตัวนั้ถ้าเราไม่มีกาลยามิไม่มีครูบาอาจารย์ไม่จํานาะมันเข้ายากเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัว <c oughs> การเดินจงกรมการนั่งสร้างจัวะเราเห็นหมู่มิตของเรามากมายที่ปฏิบัติอยู่เราก็เชื่อว่าเขาเริ่มจับประเด็นในการปฏิบัติหรือว่าเริ่ม เดินเข้าสู่ทิศสู่ทางที่เป็นเรื่องของความเป็นปกติจิตเดินจงกรมแล้วก็มีใจที่เป็นปกติอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่บางคนเก็บอารมณ์มาได้ประมาณสักยีกว่าวันตอนนี้เรจะเข้า30วันรีบไม่กี่วันก็ปลายเดือนยี่สกว่าวันก็จะได้เหมือนกับว่าจบหลักสูตรเก็บกรรมฐานเข้มเก็บอารมณ์ คำว่าเก็บกรรมฐานเข้มก็หมายถึงว่าเก็บความรู้เนื้อรู้ตัวไปไหนก็รู้สึกตัวไปไหนก็ดูกลเป็นดูจิตเป็นไปไหนก็รู้สติลึกรู้ความเป็นปกติทามันเห็นตัวเนี้ยตัวอารมณ์ที่เป็นปกติมันจะเปรียบเทียบรวงอารมณ์ที่มากระทบนะเราคิดปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจตามจริตนิสัยเดิมๆ เ, เราจะมีจริตนิสัยเดิมๆ เป็นคนยังไงลามกหรือลามาเป็นคนที่กำหนดหรือว่ากำหนดอยู่แต่กำหนดก็เป็นลามาถ้าไม่กำหนดก็เป็นลามกก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยแหละถ้ารู้สึกตัวอยู่กาหนดอยู่ม่เจตนาแลเชื่อว่ากรรมาฐานกำลังงอกงามโพธิหรือว่าพุท ธ, ธิภาวะนอกโพธิเล็กๆ เ, กเกนะี่ยกำลังเจริญเติบโ ต, ตแล้วเราเห็นความเป็นปกติมันมั่นคงขึ้น กระทบอารมณ์อะไรวันไหวตรวนี้จะเก็บอารมณ์หรือไม่เก็บอารมณ์ก็ให้ดูตรงนี้ตอนที่กระทบอารมณ์ไหลไปตามอารมณ์หรือเปล่าบางคนพูว่าอยู่มายี่สิบสาสิวันแล้วก็เริ่มลดแล้วใจมันเริ่มไม่อยู่แล้วบางคนก็เริ่มเดินไปหาหนังสือเดินไปหาแผ่นซีดีต้องทักกันไว้เราฟังเสียงธรรม ท, ทีเกิดจากด้านในตัวเองเทศให้ตัวงฟังลองอ่านกายอ่านใจนะพอหรื อ, อยัง พระเจ้าไม่ได้รู้จากหนังสือพระเจ้าเนี่ยรู้จากการดูกายหนังสือนี่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อพศ450ปีที่ผ่านมานเะนี๋วยวเพาที่เมืองไทยนี่พระไตรปิฎกฉบับแรกของประเทศไทยฉบับสยามรัฐก็ เ, เกิดสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่ห้าเราพิมพ์เป็นเล่มแรกของประเทศไทยเล่มแรกของโลกด้วยแล้วให้ไปตามประเทศรอบๆตัวๆไป พระไตรปิฎกฉบับสยามรัดชุดปัจจุบันนี้สังเายนามาอยอะหลายครั้งเดิมมันก็มีไม่กี่เลื่อมาเดี๋ยวนี้มีเก้าสิบเรื่อก็แสดงว่าอัศจารย์ขยายให้ความก็ไปเขาเรียกว่าลจนาก็ว่าได้เจ้กระทั่งมันเหมือนก็นมีเนื้อหาต่างๆขยายให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าลองอ่านแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านย่แตนะ่ยิ่งทํา ม, มากงคนนั้นคนนี้คนโน้นเขียนๆ ก, กันก็เป็นความคิดของเขาอะะน เป็นประสบการณ์ของเขาไม่ประสบการณ์ตรงของเราเหมือนกับเรานั่งรถเบนซ์ไปกับเพื่อนเพื่อนรวยมีรถ ด, ดีเสร็จแล้วพอก็ให้เราลงแล้วก็เดินเหนืวว่อยเหมือนเดิมอ่ะทําไมเราไม่หาเงินเราก็ซื้อรถมาขับเองเป็นต้นเราก็เข้าถึงหลักของกา ร, รมาทานโดยเฉพาที่นี่เราฝึกหัดแนวเพื่อนไห้กันก็เห็นนันเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วแนวเคลื่อนไหว เรีว่าแนวพรเจ้ากว่าได้หายใจให้รู้สึกตัวเดินไปเดินมากลับหน้ากลับหลังให้รู้สึกตัวเรีวเดินจงกรมหายใจให้รู้สึกตัวมีสติเรียกว่าอาณาปานสติเดินให้มีสติเรียกว่าจงกรมรับประทานอาหารให้มีสติเรียกว่าฉันก็คือเติมตัวสติลงไปเมื่อเย็นเราอาบน้ําำเรียกว่าส่งน้ําเดี๋ยวคืนนี้เราไปนอนเรียกว่าจําวัด ก็ใส่สติใส่ความรู้สึกตัวลงไปทั้งหมดมันก็คือรูปแบบที่ฐานกายรูปแบบที่ฐานกายการเห็นกายทางความเป็นจริงรู้สึกกายรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแบบนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นของการฝึกหัดปลดจิตในวะ่าตภาวนาที่เรียกว่ากายานุปัสนาติปทานการตามรู้ตามเห็นเรื่องของกายเราอาการต่างๆ ที่มันกำลังปรากฏขนาดต่อขณะการเห็นจิตก็หมายถึงว่าอาการของความของขอ ง, ของอาการของจิตอาการของความคิดที่มปรากฏไม่ว่าจะเป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจสุขทุกข์ต่างๆเนื่องจากการปรุงหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแล้วก็ปรุงตามจริตนิสัยบาคนเห็นว่าดีคนเห็นว่าไม่ดีคนเห็นว่าชอบบางคนเห็นว่าเขาไม่ชอบเป็นความพอใจไม่พอใจของแต่ละบุคคล ซึเคิือนอยู่กับวิธีคิดเนี่ยั้นพอเราออกมาจากความคิดมันก็รู้สึกตัวเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนกันอันนี้เราเป็นสัจจะความจริงที่เราได้สัมผัสแล้วมันลืมไม่ลงหรอกมันเห็นเมื่อไหร่ก็มานั้นนะเรายสมกัใช้ได้ตลอดชีวิตมันจะขยายผลรู้รุ่มลึกรึกซึ้งแล้วก็รู้แล้วรู้อีกจนชำนาญ จนทั้งมันพึ่งได้แล้วก็พอใช้พึ่งได้ก็คือทุกครั้งที่มันกลับมารู้สึกตัวทุกครั้งที่มีสติเราก็เห็นอาการของความคิดทุกครั้งที่มันปกติอยู่แล้วเราก็รู้ว่าปกติอยู่มันสุขอยู่ก็รู้มันสุขอยู่มันทุกข์อยู่มันก็รู้มันทุกข์อยู่เราก็เห็นตัวเองตรงนั้นเรามันก็จึงเป็นการเดินทางของใครของเรากันแด่มาใส่เห้สิ่งแวดลอ้อมนะ เพราเราก็พยายามไม่ทําให้เพื่อนของเราได้เหมือนกับว่าหลงทิศหลงทางกันปราถนาดีต่อกันจริงๆแล้วก็ให้มองทุกคนเป็นครูมองทุกคนเป็นเรื่องของภาวะพุท ธ, ธะที่มีอยู่แล้วในตัวของคนทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องของคนทุกคนที่กําลังเดินทางสู่การพ้นทุกข์เราก็ให้อภัยกัน หมักนิดเบาหน่อยนะเกี่ยวข้องกันมีอะไรก็พูดคุยกันเพื่อให้เป็นเรื่องของความเข้าออเข้าใจกลายเป็นสังคมที่มีแต่เรื่องของคนไม่มีศีลก็ไม่มีโอกาสจะได้มาใช้สักเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้เห็นมีขี้เล่าอยู่คนหนึ่งก็ไม่รู้เดินหลงหลุดเข้าไปได้ไงนะเดินเข้าไปแล้วเสียงวเว๊กแ ว, ว๊กอยู่แล้วก็มาที่ กดร้อยปีเสร็จแล้วอันมาอยู่กําลังคุยกับญติธรรมก็เลยบอกให้ออกมาที่สลานากรบอกว่ากินเหล้าเมาในนี้ก็ไม่กินเหล้าก็นหรอกควรเมาก็ต้องไปอยู่นู่นข้างนอกนู่นก่อนเดีย๋ยเพิ่งเข้ามาเพราะว่าหลายคนก็ตกใจแต่ว่าคนที่กําลังตั้งใจไปบัตรทันันอยู่ เดี๋ยวก็จะตกใจแต่ว่าในใจก็คิดว่าเนี่ยแหละครูตัวจริงว่ะในใจคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกตัวจิตเป็นปกติเวลาเจอบุคคลที่เราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ได้เชื้อเชิญมาแทนทะเลทลาเข้ามาก็แนละ้วเราก็แดดัาายจุดนั้นในะจังหวะนั้น ร, รู้สึกตัวจิตเราเฉยเฉยเดี๋ยเข้ามาเดี๋ยวเข้าไป เขามาแล้วก็กไปมาเองไปเองเราไม่ได้ร้องข อ, มอหมดเวรหมดกรรมกันตอนที่เข้ามาก็ามาก่อเวร่อกรรมแต่เราก็ให้อภัยใคไม่ถือสาหาความพอหลังจากที่เขามาจบเรื่องก็ก็ก็เดินไปเฉยๆกันเราก็เออไปแล้วเคยมีคำบอกคําชี้คำำํานําคําสอนของหลวงพ่อมเขียนขณะที่ท่านตั้งใจไปทำ ก็ลมอยู่ตอนนั้นกำลังเรียกว่ารู้รูป ร, รู้นามตอนเป็นโยมปฏิบัติอยู่21สหนึ่งวันเจอก็รู้รูปนามชัด11วันแรกนี่ไม่รู้ไปอยู่กะหลง้เทียนกุฏิก็ไม่มีนะเอาพายางไปกลางแล้วก็อยู่ไปยือไม่แคล่โต๊ะของชาววัดนะแต่ว่าอยู่ในบ้าน ก็ไปยืมมาเสร็จแล้วก็ม่งหลังคาก็ตั้งใจเจก็บวารมณ์จนกระทั่งเนมมาถามว่าไอไอ่รู้รูปน้ําแล้วบ่โอ้ยังไม่รู้เล ย, ยเนนทํำไปกี่วันก็รู้แล้วรูปน้ํ า, าอ่ะถ้าล่าไปฟังนี่นนะก็รู้สึกแม่มันเป็นค้อนเป็นเวนเป็นไัยมันโง่ขนาดไหนเป็นบาปขนาดไหนถึงไม่รู้ธรรมากกว่าเขา แนนเด็กๆนะปฏิบกี่วันก็นรู้แล้วเนี่ย น, นะหลก็เลยไปหาหลวงปู่เทียนว่ามีไหมครับคนปฏบัติทำกับหลวงพ่อไม่รู้รูปรู้น้ำนนเราก็เทียนก็นจับตัวขาย่าบอกว่ารู้สึกตัวไหมเนี่ยเจ้าจริงๆแล้วรูปนามอ่ะถ้าเจียจริงๆก็ตั้งใจปฏิบัตินะยกมือแบบนี้นะอย่าไปทําวิธีการแบบอื่นนะเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเคยมีเงินเดือนละเท่าไหร่ถ้าทําแล้วไม่รู้อะไรจะให้ตัง หลวงพ่อก็บอกเดือนละพันครับเป็นช่างไม้เป็นหมอธรทำเป็นช่างตัดผมทํางานได้เดือนละพันบาทอา้าวถ้ายกมือสี่งกว่าอย่างเงี้ยนะต่อเนื่องนะไม่รู้นะมเมาตัางไปเดือนละพันสาเดือนก็สามพัน เ, เสร็จแล้วหลวงพ่อกลับไปฝึกความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง คนมันมีปัญญานะมันทําไปสังเกตไปมันก็หลับสมน둔ไปจนกระทั่งอีก10วันต่อมาก็รู้รูปนามรวมเป็นยี่สวันนะพอรู้แล้วก็เลยบวชที่บวชว่าขนาดเป็นโยมาทําแค่นี่มยังรู้ได้ขนาดนะี้เพราะนั้นบวชมันจะจิตพัฒนาไปได้ขนาดไหนเสร็จแล้วท่านก็ไมไปให้พระใช้อีกต่อไปใช้เก็บมาขามป้อมใช้ไปซื้อของ ซื้อบุหรี่ซื้อกาแฟซื้อโอวัตินซื้อสารพัดน่ะ น, นะท่านก็บอกเออไม่ได้มาอยู่วัดเพื่อเป็นขี้ข่าใครท่านก็จึงตั้งใจที่จะบวชเพื่อไม่ให้พระใช้ท่านก็เลยบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติขณะตั้งใจว่าเวลาพักเขาคุกคีกันเช่นเดินบาตก็จะคุยเรื่องอาหารการกินท่านก็กเชยเราฟังแล้วก็นอมก็ไปแล้ว แล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละพูดมันก็รู้อยู่ว่าพูดนะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เร็วยังมีสาระหรืวอรร ว, าว่าดีอย่างมีสาระถ้าเร็วยังมีสาระเร็วสาระเร็วถ้าดียังมีสาระก็เออมันเป็นสาระของความดีเป็นบุญแต่ในขณะที่เป็นบัตรนะชั่วแล้วก็ไม่เอาดีแล้วก็ไม่เอามีแต่ความรู้สึกรู้สึกมันกลับได้อยู่ถ้าเรามีความรู้สึกใจล้วก็ปกติ นก็เหมือนกับมีทรัพย์อยู่ข้างในอะใครอยากใช้มีเงินมีทองเก็บหอมรอมริบให้เป็นมหาเศรษฐีเรามีสติเราเก็บสติให้เป็นมหาสติมหาเศรษฐีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอะไรไม่ดีเนียเอาเงินไปซื้อได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกกงได้อะไมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ากรรมมันม่เกิอย่างนั้นกรรมยังเงินไปซื้อเอากรรมมันเกิดจากกรรมฐานการกระทำนะพาไปถูกธรรมะธรรมชาติ มันไปสู่ความเป็นปกติของจิตของใจเราคร น, นี้ปกติไม่น้อยมันไปเป็นปกติมากขึ้นได้ก็ต้องแยกใครกับตัวเองเป็นอาการของกายหยาบหยาไปถึงละเอียดอาการของจิตความคิดหยาบหยาไปถึงละเอียดอารมณ์หยาบหยาเป็นละเอียดตัววิชาวิชาเนตัวละเอียดเริ่มเป็นตัวที่อยู่ตําแหน่งเดียวกันตัวลูกกับตัวหลงตัวหลงมันใหญ่ถึงแา่และตัวลูกก็ใหญ่ด้วย เหมันก็งีกใบเดียวกันขณะที่รู้ก็ไม่หลงขณะที่หลงก็ไม่รู้มันทุกครั้งที่รู้คือรู้สึกตัวในะเบื้องต้น <c oughs> มันมีความรู้สึกตัวเนะนําเก็บเล็กผสมน้อยจนเป็นมหาสติมันจะเป็นมหาสติตอนไหนก็ตรงที่เห็นกายเวทนาจิตทำครบในขณะจิตเดียวนะเห็นกายด้วยเห็นเวทานาด้วยมันไวมากเลยมันเห็นครบ มันเห็นลักษณะของจิตที่ปกติไม่ปกติทุกครั้งมันเป็นอาการของรูปทํานามทําที่มปรากฏออกมาสติมก็สัมผัสก็คือความรู้สึกเละจะเปลียนแค่มันว่องไวจนกระทั่งมันเป็นไวพิปฏิภานมันไหวนิ่งเหมือนรอรถยนต์มันหมุนมันเคลื่อนไปข้างหน้ามันยานพาณะชแต่ว่ามันนิ่งอยู่จุดกลางสุดมนิ่งอยู่มันไม่ใช่เครื่องสักผ้านิ่งข้างนอกแต่ข้างในปั่นป่วนเราปฏิบัติข้างนอกดูนิ่ง แต่ข้างในเก็บกฎอย่างนี้นะอันนี้ก็บอกถึงความไม่ปกติแต่ก็ไม่ผิดอาการต่างๆกำลังสอนบอกทิศบอกทางให้เราเคืนสู่ธรรมชาติตรงนี้เพราะนั้นมหาสติก็คือต้องรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นบรณาตามความเป็นจริงเห็นจิตใจของเราตามความเป็นจริงเรเห็นธรรมชาติต่างๆตามความเป็นจริง เราลองมองทุกคนเป็นครูถ้าทุกเหตุการณ์เป็นครูสอนเราจิตเราจะปกติหรือไม่ปกติมันจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาก็ตรงนี้เหมือนกันถ้าเป็นวิปัสนาคือสบายมากกันนี้มีคนมายืมเข็มหลวงพ่อเข็มด้วยหลวงพ่อกำลังปฏิบัติยกมือ14บ่อยู่อยู่มีคนทเลาะทะเ ล, ะลาเขามาจะทำไงถ้าเป็นเราหลวงพ่อไม่พูดสักคําได้ยินอยู่ข อ, ขอเข็มก็เดินไปหยิบได้ก็เข็ม แล้วก็ยื่นไปให้แล้วก็ไม่พูดสักคำแล้วต่างควนต่างไปเนี่ยมีสตินะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรายิ่งปฏิบัติเนี่ยสิบวันยี่สิบวันสาสิบวันจะถึงสี่สิบวันต้องแยบคายต้องมีความแยบคายกับการปฏิบัติรุ่มลึกอย่างหยากก็ได้ของหยาบไปอย่างเร็วก็ได้ของเร็วอย่างละเอียดก็ได้ของประณีตธรรมะเนของละเอียดประณีตนะ พระเจ้าเ ล, เลยได้ใช้คําพูดอยู่ว่าธรรมะที่เรารู้แล้วนั้นที่แรกไม่คิดจะไปสอนคนนะเป็นของละเอียดประณีตลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่ว่าผู้รู้นะผู้รู้วิสัยบัณฑิตเนะี่ยรู้ได้คนที่มีวิสัยบัณฑิตนะรู้ได้ก็คือรู้สึกตัวนั่นแหละคนที่ไม่บ้าไม่วิปลาสไม่เป็นอ ม, พอมพาพอมภายไม่ได้ป่วยหนักรู้ได้ ทุกครั้งที่อามือมากระทบเนี่ยมันก็รู้สึกรู้ว่ารู้ลมหายใจนะเข้าออกก็รู้อยู่ละเอียบนิดนึงมีความเป็นเองกระพริบตานีนะความเป็นเองเนี่ยท้องพองยุบนความเป็นเองแล้วลมมากระทบผมมากระทบเสื้อผ้ามากระทบเป็นความรู้สึกตัวทั่วสะพานกายเนีแล้วก็ฝึกสติน้อยๆก็รู้เป็นจดุดเป็นจดุนจดไปก่อนพอมันมีความคล่องตัวว่องไวมันจะรู้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นมันซอยละเอียดเลยมันถึงไปรู้ทัน ธรรมชาตินะที่มันกําลังปรากฏจริงๆของมันนะโดยเพราะความเป็นปกติสติรู้สติตัวนี้มันจะรู้ขึ้นมาเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้ น, เ ป, น, น, เ, ป น, นเป็นตอนของมันแตนะ่ตรงนี้เราต้องแยกใครดีๆนะเก็บอารมณ์หมายถึงอะไรนะอย่าทําตามความคิดนะอย่าทำตามอํานาจของความอยากขวนๆอยางเงีนะ้ยขวนๆพยานอยากมันเป็นตัวตันหานะแต่ถ้าเป็นระดับมันมาเองนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองถ้าหยิบยื่นให้ดีดีไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องพาตัวเองไปตามความคิดขวัขวายทยานอยากตันหาไม่มีก็ไม่ใช้มีก็ใช้ลองทำอย่างนี้ดูมีแค่ไหนใช้แค่นั้นกล้าที่จะจนลงไปกล้าที่จะทุกข์ลงไปกระโดดใส่ตกไดพระกรจนไปเลยไม่มีก็ไม่กินโดนซิมจะตายแม่อะไรเงี้ย ของตั้งสัจจาแบบนี้มาแล้วไม่กลับเมอมาแล้วไอ้ฐานจิตเราจะมากี่วันอยู่จนครบเลยพามีบางคนมาเจอเข้อสอบที่นี้ปล่อยให้ปฏิบัติเองครูตัวจริงคือตัวเองสอนตัวเองคนอื่นสอนนี่มันไม่เจ๋งหรอกมันไม่แน่แต่ถ้าเราสอนตัวเองเนี่ยมันมีความคิดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาขณะนี้เราฝึกสติเราเจอไหมความคิดไม่ดีผุดเกิดขึ้นมาเดี๋ยวความคิดกวาง เป็นความดีมันก็แก้ให้มันก็ไม่น่าทําเลยเดี๋ยวไม่ทําอีกมันจะสํานึกได้อันนี้เรียกว่าจิตสอนจิตเคยคิดเคยพูดเคยทําผิดพลาดมาเนี้ยมันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทําผิดมาก่อนมันทําผิดมาแล้วทั้งนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราไม่ได้ทําให้ตัวเองถูกหรือผิดเราทําให้ตัวเองนะได้มีโอกาสที่จะใช้ประสบการณ์ตรง ให้โอกาสตัวเองได้มีการฝึกหัดเมื่อเราฝึกหัดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนระก็ยอมรับสภาพหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันแต่ละคนสติปัญญาไม่เหมือนกันพูนชาติกำเนิดไม่เหมือนกันฐานะไม่เหมือนกันวัยวุฒิคุณวุฒิไม่เหมือนกันคุณธรรมก็แตกต่างกัน บ, บ่มนิสัยเอาไวนะ้บรารมีที่เคยทามาในชีวิตก็แตกต่างกัน เพราะนั้นจะมีการรู้ช้ารู้เร็วกรับตรงนี้แหละก็ต้องอาศัยศรัทธาฟังจากครูบาอาจารย์เชื่อมีความเชื่อแล้วก็ต่อยอดเป็นปัญญาก็คือลองดูว่าเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยมันออกจากความคิดจริงหรือไม่นะเอาตัวแรกตรงนี้ก่อนในขณะที่คิดมันไม่รู้สึกตัวจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเวลานั่งเวลาเดินเวลายืนเวลานอนมันต้องมีตัวเองอยู่ก่อนกรรมาฐานเบื้องต้นเหม น, นะ ก็มีร่างกายของเราอยู่ในโลกใบนี้ตลอดเวลาเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังเดินกำลังยืนกำลังนอนนะจนถ้าเหมือนกับตัวต่อทักท่วงความคิดได้คิดปั๊บไม่ไปตามคิดปั๊บกลับมาหาฐานกายคิดปั๊บสติเกิดขึ้นเมือนมารู้เท่ารู้ทันความคิดกระดับลงต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยก็ลองสังเกตให้ดีจะรู้สึกอารมณ์ของเราจะนิ่งๆแต่ว่ามีพลัง นิ่งๆแต่มีพลังมีกำลังใจเมื่อก่อนมันนิ่งๆพอมีอะไรเกิดขึ้นก็นตนกตกใจสะดุง้งหวาดผวาเสียวสันหลังเหมือนวัวฉลังหวะมีเสียงกิ่งไม้หล่นใส่นี่ก็สะดุ้งแล้วอันนี้มันก็ไม่เป็นนักกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่พัฒนาเรากยางสร้างสรรค์วิชากรรมฐานให้เป็นงานอาชีพของเราเลยเป็นงานหลัก งานอื่นเป็นงานไอเหล็กงานร อ, อ, อ, องให้หมดขณะที่เราฝึกหัดปฏิบัติกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเอาทุกอย่างเป็นครูมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเอาหลานแม่เพียรเป็นครูหลานแม่เพียรชื่อธงชัยเจนแล้วก็ตายไม่รู้ใครใช้ใขึ้นต้นมะพร้าวไปตัดทางมะพร้าวตอนฝนตกไอ้ธงชัยก็เก่งเหลือเกินนะขึ้นต้นมะาพร้าวลื่นๆนะขึ้นได้ด้วยก็นิ่งไปตัดทางมะพร้าวเลย ทำมะพ้าไปพาดสายไฟแรงสูงน่าบานมันก็โดนไฟช็อตนะมันยอดมะพร้าวนะเอาไปส่งโรงพยาบาลก็ตายกลางทางก็มาเผาที่นี่แหละวัดป่าสโซโตในฐานะที่สนิทกันเป็นเด็กที่เอาดีได้ตรงใจยนเะนี่ยอยางนี้ก็เลยนะพอเผาสมมติเราเป็นวันเนี้คืนนี้ก็ไปแล้วนะเอาธงชัยเป็นครูไม่เคยเห็นว่าเออคนตายแล้วมาเผาในวัด อายุอย่าง น, น้อยแล้วก็เคยรู้จักกันขนาดนี้ไปช่วยเคลียร์ไฟหน่อยว่าฝนมันตกปล่อยๆอากาศชื้นๆเดี๋ยวมันจะไหมไม่หมดว่าเด็กร่างใหญ่ตัวใหญ่ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเคลียร์ศพแล้วก็กางกดนอนอยู่มันก็ไม่เห็นว่าจะมีความกลัวอะไรมีเสียงบางทีใบไม้ก็หล่นลงมาบางทีกิ่งไม้ก็หักหล่นลงมามันก็ไม่เดสะดรุง พระจันทร์ดวงเหลืองๆเหลืองๆมีหมอกลงบางๆมีน้ําค้างมีรองฝนมันมีคนเดินมาปรากฏว่าคนน่ะกลัวพระสัพเป ร, เร์เลยในวัด เ, เนี่ยโพเพแบบนี่ยก็เดินเข้ามาศพสาวศพสาวศพสาแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วเขไม่ได้คิดว่าผีมาเสร็จแล้วพอมาถึง ป, ปั๊บเฮ้ยผีศัพเปอร์เลยสามคนน่ะร้องว่าเนี่ยผีก็คือเงาตะคุนตะคุนอาตมานั่งอยู่เขี่ยศพอยู่ เขามาเลาอตาก็าไม่ได้เห็นชัดๆใกลๆเสร็จแล้วอีกคนก็เฮ้ยเฮพระพระพเสร็จแล้วก็พากระเดินเข้ามาแล้วก็มาชะงักดูใกล้ๆเนี่ยก็คือคนขาดสติกินเล่าขาดสติเห็นตะคุ่มตะคุ่มหนก็หาว่าผีแล้วนะแต่เราก็ยังเฉยเฉยได้ก็คือเนี่ยอำนาจของสติที่มันมันมีให้เราได้ใช้เราก็ไม่เอาดัดแปลงอะไรเพียงแค่ว่าเออได้ยินก็ได้ยินเฉยเฉย ที่เห็นอยู่ที่เผาอยู่ก็เห็นเฉยๆกองไฟก็เห็นอยู่กําลังลุกพลางอยู่เฉยๆนะเราก็นั่งแล้วเราอยู่งั้นเราก็ดูกายดูใจของเราไปเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะนั้นขนาดคนตายแล้วไม่กลัวคนเป็นก็ไม่น่ากลัวที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดในภายในในตัวของเรานะที่ทําให้เรากลัวมากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นจึงเอาอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นกลัวไดนะ้แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างฝึกหัดปฏิบัติกันไป อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือที่สุดแห่งกองทุกข์ก็คือพันิพานอนัตตการ น, นะนะที่มันเป็นเรื่องของไม่กลับลงไปสู่นะการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปเราต้องไปให้ถึงกันเพราะฉะนั้นะตอนนี้เราเป็นเพื่อนผู้ร่ว ม, เ, วมเดินทางซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงี้ยนะไอ้อยันนี้ก็พูดนะ เพื่อให้เป็นส่วนประกอบเฉยๆให้การถรวายเย็นในวันนี้นะแล้วบังเอิญว่าก็มีจดหมายมาก็เลยมาอ่านให้ฟังแล้วขยายความมัน่งเรื่องอจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนะตรงนี้แล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะอ่ะเราก็ปรับกันพร้อมกัน